วันนี้ได้มาทาบุญนะทำบุญถ้าจะว่าไปแล้วทำบุญครั้งนี้มีความหมายมีความหมายก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยในหลักเพราะพุทธศาสนาในครั้งพระพุทธเจ้าก็เคยมีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเคยทำในวันนี้สมัยเกิดศึกสงครามก่อนที่แม่ทัพนายกอง จะออกไปสู้ศึกสงครามก็ไม่ไว้ใจในชีวิตก็มาทำบุญนะพออย่างไงก็ให้ได้ทำบุญซะก่อนอันนี้ก็คือการทำบุญอันหนึ่งบางที่จะเดินทางที่ว่าไม่ปลอดภัยการทำมาค้าขายไปต่างประเทศบางทีอาจจะมีการ ป่นสะโมกันแย่งชิงทรัพสินกันอย่างนี้เขาก็ไม่ไว้ใจในชีวิตทัางก็มาทำ บ, บุญซะก่อนอเพื่อออกเดินทางอย่างน้อยก็เป็นมีบุญปิดกุศลในจิตในใจอันนี้ก็มีบางทีคนที่จะคลอดลูกสมัยก่อนการคลอดลูกเป็นอันตรายมากเพราะว่าแพทย์หมอ ก็ไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้เวลาก็จะคลอดลูกก็ทำบุญซะก่อน เ, ออเพื่อว่าเพื่อเพื่อตายไปในขณะที่คล อ, อ, อดลูกก็จะได้บุญกุศลติดตัวไปนี mm ่ hmm. ละคนโบราณเขาก็ททำกันมาอย่างนี้คือก่อนที่จะมีพิษภัยอะไรเกิดขึ้นก็ทำบุญก่อนถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสรุปก็คือถ้ามันมีอะไร ก็ไม่ไว้ใจในการเป็นอยู่ของพวกเราอันนั้นแบบเป็นเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะไม่ประมาทในชีวิตแต่ว่าตามไม่จริงการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลในการทําบุญเอ่อทำกุศลเนี่ยบางคนก็คิดว่าเมื่อทําไปแล้วจะคุ้มคลองไม่ให้เกิดภัยวิบัติไม่ให้ได้รับโทษไม่ให้เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มี เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นออไม่ให้ไฟไหม้มาให้ตกน้ํำมาเห็นน้าท่วมแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งออคือส่วนหนึ่งออที่เรื่องหนักกลายให้เป็นเบาลงได้แต่ว่าจะให้คุ้มครองจริงๆก็คงจะคุ้มครองไม่ได้เพราะว่าออคนเราถ้าทําบุญแล้วจะไม่แก่ทําบุญแล้วจะไม่เจ็บทําบุญแล้วจะไม่ตาย ถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราคงจะไม่ตายเพราะบุญของท่านมีมากแต่นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่พุ้มครองอในได้ในระดับหมืองด้วยบุญกุศลแบ่งหนักให้เป็นเบาลงได้แต่ว่าจะห้ามเปิขาดนั้นคงกับเจนเป็นไปไม่ได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้เน้นหนักลงที่ใจให้ใจมีหลักให้ใจเป็นกุศล จะปล่อยวางอย่างไรเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงเมื่อชรลาพยาธิเข้ามาถึงเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงจะวางตัวอย่างไรจะวางใจอย่างไรจะทำใจอย่างไรจุดนั้นพระพุทธเจ้าสนใจที่อบรมพุทธบริษัทของพระองคนะ์นที่นแนะนำพุทธบริษัทของพระองค์ก็คือตอนที่ทาใจ ทำใจยังไงจึงจะไม่ลุ่มหลงทำใจยังไงจึงจะไม่มัวเมาทำใจยังไงจึงจะไม่หวาดผวากลัวต่อมรณะภัยเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนถึงใจทำใจยังไงส่วนที่มันเป็นไปแล้วเป็นมาแล้วจะห้ามไม่ให้แก่จะห้ามไมาใ่หามมาให้เจ็บจะห้ามไม่ให้ตายจะไม่ให้ห้ามไม่ให้เกิดภัยวิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าเป็นไปได้ก็คือว่าภัยนั้นเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ยังไงคือตั้งต้นใหม่เราพอจะคุ้มครองได้ธรรมะหรือว่าพระธรม ร, รมคำนั่งสอนดูพระธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญกุศลเนี่ยจะคุ้มครองได้แต่ว่าตัวเองทํามาแล้วในอดีตชาติเคยป่นเคยฆ่าเคยพคดเคยโกงเคยทําไม่ดีไม่ร้ายฆ่าเข้ามาก่อนแล้วเราจะมาทําบุญให้ล้าง เขาบาปกรรมในอดีตชาตินั้นพระพุทธเจ้าไม่รับรองท้าว่าท่านว่าถ้าว่าใครทําดีแล้วล้างบาปทั้งหมดในอดีตชาติอย่างพระโมกขาลาอย่างนี้หือพระสาวกของพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ที่เด่นได้รับกรรมในอดีตอดีตกรรมของพระออย่างพระโมกขาล า, านี่ท่านก็นเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่าน จากนั้นมาท่านก็ได้รับกรรมถูกฆ่าไม่รู้ว่ากี่พว ก, กี่ชาติจนมาถึงชาตินี่คือเป็นพระโมกคราเป็นอ克拉สาวก ข, ข้างซ้ายพรกพุทธิจักท่านก็มีอิจฉิตเหาะเหินเดินฟ้าได้แต่ว่ากรรมเก่าที่ดามาแล้วในอดีตนามาให้ผลสรุปแล้วก็คือเช็คบินมาตลอดประนั้นเถิดเกิดมาพวกใดชาติใดพวมมันบาปหนักเช็คบินชาตินี้ก็ยังไม่คุ้มฆ่าประนั้นเถิด ให้ทุนเขายังไม่คุ้มเกิดมาชาติหน้าเช็ควินอีกมันก็ยังไม่คุ้มเหมือนกันเถอะเพราะเราไปไปทำเป็นหนี้เป็นศินไว้มากเออใครๆว่าไปทําเขาไว้มากหนี้สินตอนนั้นมันเยอะแยะเหมือนกันเถอะเออพอมาชาติใดไปเช็ควินเท่าไหร่ไปยังไม่คุ้มค่าแต่ถ้าว่าต่อไปอย่างพระโมคคัลลาท่านแล้วท่านยังไม่หมดกิเลสเออถ้าว่าท่านยังไม่ได้พ้นทุกยังไม่เข้าสู่นิพพาน พ, พ่อโมฆะลาเกิดมาพบหน้าชาติหน้ก็คงจะเช็คบินไปอีกหลายภพหลายชาติเหมือน ก, นกันกว่าที่จะบาปอากุศลที่ได้ทําไปแล้วนั้น เ, ออเบาลงไปเรื่อยๆๆๆผลในที่สุดก็จะหมดไปเหมือนกับเราทําบุญอา น, นิสงส์แห่งการทําบุญเมื่อเราทําบุญในภพนี้ชาตินี้บุญกุศลก็ส่งไปถ้าว่าเราทําไว้ดีแล้วได้มากบุญกุศลก็ส่งไปได้ไกล แต่ก็หมดวนกันถ้าเราไม่ทําต่อเหมือนกับเราทําข้าวใส่ยุ้งใสฉางของเร า, เาไวนะ้นะ่ะะปีนี้เราทําอย่างเต็มที่เอาใส่ยุงใส่ช้างเอาไว้ปีหน้าเราไม่ทําปีต่อไปเราไม่ทําแต่เราก็กินไปเรื่อยๆข้าวในยุ้งในช้างของเราก็ร่อยหลอลงไปหมดไปในที่สุดเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราไปพบพระพุทธเจ้าได้พบพระอรหันตสาวก เราได้ทําบุญบุญกุศลของเราก็เต็มเปี่ยมเข้าสู่จิตใจของเราแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าเราไม่ได้ทําบุญเราไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้บุญของเราก็ล่อยเรอลงไปเรื่อยๆผลที่สุดก็หมดเหมือนกับบาปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพโมกคราที่ท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านนะท่านก็ได้รับกรรมมาตลอดถึงมาในชาตินี้เขาก็ฆ่าท่านแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าท่านยังไม่หมดกิเลส เพระาะโมกคลากขาคงจะบาปกรรมเขาต่านเขาคงจะล่อหร่อไปเรืเ่อยๆคือว่าคุ้มทุนเขาแล้วว่างั้นเถอะใช้ทุนเขาจบให้ค่าว่าเราฆ่ า, าพ่อฆ่าแม่บาปกรรมตอนนั้นก็เช็คบินว่าเรื่อยๆในผลที่สุดก็ค้มทุนของเข า, ขาเขาก็ปล่อยวางไปท่านก็เป็นไทยว่างั้นเถอะแต่นี้ท่านหมดกิเลสก่อนซะเพราะว่าท่านหมดกิเลสเนี่ยพอท่านตัดกิเลส ข, ขาดท่านไม่มาบินไหวตายเกิด ไปเ ข, เข้าสู่นิพานไปแล้วกรรมตอนนั้นเกิดเหมือนกับหมาเห็นไมเนยพอมากัดข่าวนี้ได้แล้วกิต่อไปมันกิจ้องจิตชาตดนาเกิดขึ้นมาแล้วกรรมตอนนี้มันก็จะไปเล่นงานอีกแต่ตอนนี้ท่านก็เลยข้ามเข้าอาวกาศของจิตของธรรมไปซะเข้าสู่นิพานซะหมาตอนนั้นกรรมตอนนั้นก็วิ่งหาไม่เจอจนโบกวนเกยอยู่ในโลกวนไปวนมาวนไปวนมา ผลที่สุดหมาหาไม่เจอหมากตายกับหมาเหมือนกันเหมืองั้นเด้อเพราะหาคนไม่เจอหาพูดที่จะกัดไม่เจออันนี้ก็คือพระโมคคัลลาท่านพ้นทุกไปแล้วไม่มาเวียนว่ายใจเกิดกรรมทั้งหลายก็เป็นโอโหสิกรรมตามไม่ถึงเน่ตามไม่ทันผลที่สุดแปลว่าจบจบกันไปเลยโดยเที่ว่ากรรมตามไม่ถึกเพราะท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วแต่ถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลาย ยังไม่พ้นทุกในวัฏสงสารที่พวกเราเราทำกรรมไวในอนดีตกรรมมังะต้องตามสนองเราเราก็ต้องรับไปเรื่อยๆคนนั้นพระผู้ได้เจ้าจึงทันจึงตรัสไว้ว่าอาคตังลุกตังเสยโยปั ช, ชาตะปฏิลุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเนีย่ยพราะนั้นถ้าเราทํากรรมที่สิ่งไม่ดีเว้รากายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมในสิ่งที่ไม่ดี กลัมนั่นก็จะตามสนองเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นควรจะเมื่อคิดขึ้นมาแล้วก็ควรจะทําแต่กรัมดีพูดในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีกายใจกรรมไว้ดีกรรมดีแล้วจะเป็นบูรเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่ตามให้จริงต้นตอของกลัมก็เกิดมาจากใจนั่นแหละแมะโนกรัมซะก่อนถ้าใจของเราขุ่นเคืองเราก็ะดาลออกไป ใ, ใช้วาจาพูดยาบออกไป แต่ถ้าใจของเราขูนเคืองเราก็ใช้หมัดใช้มวยออกไปแต่ทำมากับกิริยาที่ไม่เหมาะไม่สมออกไปอย่างเนี้ยสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจทั้งหมดเพราะฉนั้นท่านจึงให้อบรมใจอบรมใจคืออบรมหัวหน้าหัวหน้ากายวาจาถ้าอบรมใจดีแล้วใจเป็นกุศลแล้วใจมีเหตุมีผลแล้วใจมีคุณภาพมีคุณธรรมแล้วกายวาจาก็ มีคุณภาพไปด้วยเพราะใจที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าดีอย่างั้นน่ยเออหัวหน้าดีลูกน้องสองสองลูกน้องเนี่ยก็ดีไปด้วยนะแต่ถ้าหัวหน้าไม่ดีเออหัวหน้าไม่ดีลูกน้องสองคนนี่ก็ไม่ดีไปด้วยลูกน้องสองคนคืออะไรคือกายกับวาจานะที่ใจสั่งออกไปเพราะฉนั้นออพวกเราท่านทั้งหลายออได้พบได้เจอผู้พุทธศาสนาได้เจอ พราธํามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เกิดพระธรรมคาสั่งสอนของพระแม่กูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราก็ควรจะทํากายทําใจให้มีเหตุมีผลให้ทํากายทําใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลในชีวิตชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ว่าท่านว่าเราโดยมากก็จบลงด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าภาชนะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าภาชนะเล็กหรือใหญ่หยาบหรือละเอียดอย่างไรก็ตามผลในสุดก็แตกสลายในที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราถึงจะเกิดมากมากน้อยอย่างไรแค่ไหนผลในสุดก็คือจุดจบของเราก็คือชีวิตไม่มีใครที่จะหลีกเี่หนีพ้นไปได้ไม่ตายเขานี่ก็ตายเข้าหนะ้าแต่ก่อนที่จะตายเราต้องทําดีให้ดีที่สุดอย่าให้มีข้อตําหนิตัวเองได้ อ, อันนี้คือสําคัญนะ ตามไม่จริงเราเกิดมาแล้วนะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดพ่อเขาเกิดมาเขาก็จะแต้มไว้แล้วเอาวีซา่าเตรียมเตรียมรอไว้แล้วจัดการวีซ่าที่จะส่งมาให้แล้วถ้าวัดถึงกําหนดเขาจะส่งวีซ่ามาถึงเราทันทีไนะอันนี้คือชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนั้นทุกคนแต่เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ทุกคนก็ต้องไปอย่างนั้นแต่ส่วนความแก่นั้นแก่นั้นคืออะไรนะ ที่หลวงพ่อพูดแกนี่คือแกลากไปข้างหน้าเีไวว่าไม่ถอยหลังไม่ถอยหลังเพราะว่าแกน่ากแกเข็นไปข้างหน้าผลไปข้างหน้าดึงลากไปข้างหน้าถ้าเป็นภาษาทางอีสานนะว่าแกนะรู้จากทันทีเลยว่าแกคือลากไปข้างหน้าอันนี้เหมือนกันเขาว่าแกเนี่ยแกไปอะไรถ้าแกกัแกไปหาผมเขา ผมงอกผมขาวแกไปหาฟันหลุดแกไปหาตาฝ้าฟางแกไปหาหูหนวกแกไปหาหนังเหี่ยวย่นนะแกไปหาลังค่อมคนแกเป็นยังไงนั่นแหละมันแกไปอย่างนั้นละเพราะนั้นความแกนเราจะไปมองข้ามนะเพราะนั้นการเป็นอยู่ทุกอย่างทุกวินาทีมันจะแกไปอยู่ตลอดเวลาแกไปหาอย่างนั้น เราเจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮานะเออข้าอายุแกแล้วเลี้ยงฉลองมันไม่ใช่เรื่องนะไอ้ข้าว่าแกเข้าไปหาหลักประหารแกรเข้าไปหาความตายเข้าไปเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละเวลาผลที่สุดพอไปถึงจุดจบแล้วกันอนะ่ะไปถึงหน้าผาไม่รู้จะแก่ไปที่ไหนทีนี้ทหารมัตจุราชออพยามัตจุราชก็กลิ้งลงเหวซะกลิ้งลงหน้าผาซนะจบไปชาติหนึ่งตายว่ากันนะ ตายแล้วทีน่นีวิญญาณก็ตะเกียงตะกายหาที่เกิดดีกว่ามามาเกิดถ้าคนคนนั้นกริ่งลงไปแล้วมีเงินติดกระเป๋าติดกระเป๋าก็คือบุญกุศลอยู่ในกิจในใจของดวงวิญญาณนั้นแทงก็ไปหาเกิดพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปที่สุขสบายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมสูงขึ้นไปเรื่อยจนถึงมรรคผลนิพพาน แต่ร่างกายของท่านแตกแล้วแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นไปได้สูงส่งไปได้แต่ถ้าหาว่าบางคนพอกลิ้งลงไปแล้วที้เงินในกระเป๋าก็หมดไม่มีเงินในกระเป๋าตะเกียรตะกลายขึ้นมากะนั่นแหลเะเนีสมสารไปไปหาเกิดเป็นสัตว์ที่ได้ฉานไปตกนรกไปเป็นเปลืกจากนั้นก็มาเกิดปติสนธิขึ้นมาเกิดอีกถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่ได้ฉานน่ยย่ำแย่ พอมาเกิดขึ้นมาแล้วกันเนี่ยนะี่แหละเกิดเป็นมนุษย์หญิงชายขึมาเขาขอแก่อีกอย่างเก่าเนะนะี่ยพราะานพยาโมจิลาศมันเกิดแก่อยู่แล้วชอบแก่อยู่แล้วแก่วิญญาณนะเราก็แก่ไปเองแกแก่แ ก, แ ก, แกไปเอออย่างที่ว่านะ่ยแก่ไปหาหูหนวกตาฟางอย่างที่ว่าน่ยอ่าเพราะฉะร่งลงเหว อ, อีกมันเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของมนุษย์จะบอกวัดตําบลหาที่สิน้นสุดไม่ได้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย อยู่ในโลกวัฏสงสารนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสิ่งที่ให้เกิดมันมีคือเชือ้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจตรงนั้นที่พาให้เกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจะทํำยังไงจึงจะไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าว่าเกิดจะมาแล้วแก่เจ็บตายก็ต้องตามถึงเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทนะให้ตั้ง บอกตั้งใจให้ศึกษาจะทำยังไงจริงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วเราจะรู้แนวทางแห่งการพพธประพฤติปฏิบัตินะไหว้พระก่อนหลับก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งๆภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ทำใจให้สะัจสบวายอันนี้เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะทมอย่างเดียวนะ ทานคล้ายๆว่าเกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากคนที่ทําบุญทําทานเกิดในสถานที่ใดด้วยอา น, นิสงส์ในการทําทานพอเป็นพอไปถึงจะไม่มั่งมีสีสุขถึงจะไม่ล่ํารวยกับพอเป็นพอไปไม่ทุกข์ไม่จนอา น, นิสงส์แห่งการทําทานอา น, นิสงส์สินก็คือกุ้มคลองไปอยู่ในสถานที่ใดแต่ไม่มีใครมาเบียดเบียนรังแกอา น, นิสงส์สินกุ้งคลองอา น, นิสงส์สมาธิจิตใจของเรากบบเบิกบาน จิตใจของเราไม่อับเฉาไม่ปิดปัดไม่ติดตันอั้ น, นตู้ว่างั้นเถอะจิตใจคิดอ่านอะไรก็ออกเพราะมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นทางศีลทางสมาธิทั้ทงปัญญาเนี่แหละคุ้มครองพวกเราพวกเราก็จะเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเรื่องภาวนาเนี่แหละสำคัญนะจิตตภาวนาเดื่อทานเรื่องศีลพวกเราก็ทำมาพอสมควรเรื่องภาวนาเนี่แหละ อยากให้นั่งภาวนาอยากน้อยคืนละวันละ30นาทีได้ไหมก่อหนหลับก่อนนอนหรือว่าตื่นมาแต่เช้เชาทุลักว่างๆมานั่งภาวนาดูใจข้อตัวเองพุโทโธพุโทโธไม่ต้องคิดที่ตกกังวลกับเรื่องอะไรทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดทําใจให้ว่างทําใจให้สบายทําใจให้ว่างไม่ต้องพิตกกังวลกับสิ่งภายนอกนึกพุโทโธพุโทโธในใจ ทําทำอย่างนี้ได้ลูกพ่อว่าเป็นการฝึกหัดทางด้านจิตใจถ้าเราฝึกหัดอย่างนี้ได้แล้วต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชลาต่อไปเราก็ไม่วิตกไม่กังวลไม่ว้าเวไม่อ้างว้างไม่เงียบเหงาไม่ซึมเศร้าเพางั้นนิสัยซึมเศร้าจะไม่เข้ามาผู้ฝึกหัดจิดตตภาวนาแต่ทางขางพวกเรายังไม่ได้ภาวนา นิสัยซืมเศร้านะจะเข้ามาเยือนพวกเราเมื่ อ, อยุแก่อยู่ตามลําพังไม่ได้นะทีนี่กลัวคนนั้นกลัวที่กลัวที่กลัวนั้นกลัวไปหมดกระบวนการวุนวายไปหมดต้องหาลูกหาหลานมานั่งเฝ้ามาช่วยดูแลประคับประคองนะี่ยอันนี้หลวงพ่อวาดโดยมากคนแกใ่ในลักษณะนี้ถ้าว่าคนผู้ใดอายุแก่และอยู่ตามลําพังได้ลูพกพ่อว่าเป็นผู้มีบุญนะลูกหลานก็สบาย อ, อกสบายใจคนนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ที่ได้ยินหลวงพ่อพูดเนี่ยก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราต่อไปไปภาคหน้าพวกเราทําไม่ตายง่ายในแก่นแน่แล้วนะออย่างคุณยายทั้งสองคุณยายหลวงพ่อเห็นกันหนาเลื่อมใสศรัทธายิ่ถึง90้ากว่าปีแล้วยังสุขภาพแข็งแรงนะอย่างนี้ถือว่านับือว่าเป็นผู้มีบุญนะเอานับว่าเป็นผู้มีบุญบุญยังไงท่านทั้งสองคนงะจะไม่เคยเบียดเบียนสัตว์มาก่อนไม่เคยฆ่าเคยทุบเคยตีสัตว์มาก่อน วันนั้นร่างกายของท่านจึงอันนิสงสินพ่อที่หนึ่งคุ้มครองนะ อ, ะอายุของท่านยืนยาวแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยพราะผู้ใดจะถว่าชีวิตเขาจะจะสั้นถ้าว่าใครก็ตามลังชอบลังแกสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทุบตีสัตว์อ่าเราก็ทาให้สัตว์ลำบากมนุษย์ลำบากพอจับคนได้เรก็้องททั้งตีทั้ง บ, บังคับภูเค้นอะไรเขาอันนี้บาปกรรมตัวนี้จะตามสนองนะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะบาปกรรมที่รนะังแกสัดว์เบียดเบียนสัตว์มาก่อนแต่ไปถึงกับฆ่านะถ้าฆ่าเนะี่ยบาปกรรมอีกให้อายุชีวิตสั้นนะแต่ถ้าเบียดเบียนสัตว์เนะี่ยทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนะี่ยทุบพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยนะอันนี้จะทํายังไงพอมันทํามาแล้วในอดีต มาพบนิชันนี้เราก็ต้องยอมรับนะรับว่าท่านนี้ว่าใหุ้ทิศถึงุทิศส่วนุ่วนถึงเจ้ากรรมนายเวรเดอร์เราได้ทําเขาไว้ในอนดีตเรขอให้อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเรายินดีให้อโหสิแกทุกทุกทุกวิญญาณเราจะไม่เราจะไม่ เ, เบียดเบียนกับใครทั้งหมดเราจะไม่อิจฉาในใจของเราเราจะให้ยินดีให้อาภัยทั้งหมดทุกวิญญาณ ทุกวิญญาณก็คงควรจะให้อโหสิแก่ข้าวไปเจ้าด้วยนะอันนี้ก็คือเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็น้อมคิดที่สวดกุวดอย่างนั้นละ่ะอันนี้แปลว่าทําจิตใจให้สบายๆนะอแล้วก็ให้ภาวนาถึงข่าวจะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอเราจะไปห้ามมาให้มันเกิดได้ยังไงเพราะเราเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นช้าเร็วก็อของใครของเราของขอ ง, ขอ ง, ขอ ง, ของเหล่านี้นะ แต่พ่อจงการให้จิตใจของเราเป็นกุศลจิตใจของเราเข้มแข็งนะจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วนะนะั่นแหละพวกเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายสบายอกสบายใจไปด้วยนะทางว่าบุญกุศลเรามีแล้วก็นนะั่นแหะคุ้มครองยืดเจ้าไปเรื่อยๆแปบลบว่าบุญกุศลคุ้มครองจะไ ด, เะได้เราจะได้สั่งสมบุญกุศลนะ แต่ตามให้จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะเพอเราสั่งสมบุญมาดีแล้วเนี่ยบุญกุศลต้องคุ้มครองนะนะคุ้มครองทําหนักให้เป็นเบาไปได้นะด้วยทานด้วยอเ น, นสง์ทานสิงภาวนาอเ น, นสง์การสั่งสมบุญกุศลของพวกเราทุกๆ ท, ท, ท, ท, ท่าน น, น, น, ะ, นะนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะรับพรก่อนเอารับพรก่อนใครนะเอาที่ส่วนกุศลหน้ารับพรเนน้าะ ยะถาวาริวาฮาปุราภิ